วันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่คือวันแม่เป็นวันที่สิบสองตรงกับวันเสาร์นพรานั้นข้าราชการพ่อค้าก็ถือโอกาสมาทาบุญอีกครั้งหนึ่งแต่ตามให้จริงวันแม่หลวงพ่อก็ได้พูดแล้วเมื่อวานนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราทุกคนได้รับความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพ่อแม่ นะพ่อแม่เนี่ยเป็นบ่อเกิดเป็นต้นตอของลูกพวกเราทั้งหลายเกิดมาจากพ่อแม่เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงถือว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของบุตรทิดาถึงใครจะถือว่าพ่อแม่ของเราไม่สำคัญแต่ลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะไม่มีใครที่จะรักลูกยิ่งกว่าพ่อแม่ มีแต่พ่อแม่เป็นยักษ์เป็นโขท่านเองที่เอาลูกไปทิ้งไปคว้างหรือบกฆ่าลูกก็มีอยู่อันนั้นแปลว่าความกดดันหรือความโมโหโทโสในจิตใจชั่วคู่ชั่วขณะพะ ง, งั้นแต่ถ้าหากว่าได้อยู่ด้วยกันจริงๆความรักตัวนี้ก็เข้าไปสู่จิตใจของพ่อแม่อย่างถอนไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ใหม่ใม่คงจะมีเรื่องกดดันทางจิตใจก็ทําให้พ่อแม่ผู่นั้นลงมาที่ลูก ก็เลยทําให้ฆ่าลูกได้ทิ้งลูกได้อันนี้เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็บรจะรู้ได้ว่าเป็นมานมนานทีเดียวในเรื่องเหล่านี้แต่ทิ้งยังไงก็ตามในเมื่อพวกเราได้ศึกษาแล้วถึงพ่อแม่จะโกรธเกลียดชังเราขนาดไหนเบื้องแรก แต่การนั้นก็คือเป็นผู้มีพระคุณจนพวกเราได้เติบใหญ่ขึ้นมารู้เรียงสาภาวะยืนด้วยลำแข้งของเราได้อันนี้กน็นับว่าเป็นบุญกุศลที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณได้เลี้ยงดูเรามาแต่พ่อแม่บางคนท่านก็รักทนุถนอมตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาแล้วท่านก็ยังทนุถนอมเลี้ยงเรามาโดยตลอดอันนั้นว่าเป็นผู้มีบุญพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความทนุถนอม จากนั้นก็ได้ส่งเข้าโรงรเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยไหนดีที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นในถินนั้นในช่วงนั้นพ่อแม่ก็พยายามทุ่มเทในการศึกษาของลูกให้ดีที่สุดอันนี้แปลว่าลูกคนนั้นเกิดมาเป็นผู้มีบุญบุญเก่าพามาเกิดมาเกิดก็มาเกิดกับพ่อกับแม่พอเกิดมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับรักนับถืออยู่ด้วยกันด้วยความ ร่มเย็นผาสุขอันนี้แปลว่าทั้งแม่ทั้งลูกคงจะเคยเกิดด้วยกันมานานสืบเนื่องมานานท่านจึงรักเมตตาถึงอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราที่เกิดมาแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ให้ปล่อยปละละเลยบิดามารดาเป็นบุพกาาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาสอนบุตรธิดาให้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จักทานอาหารรู้จักดื่มนม้ํารู้จักหนาวรู้จักร้อนรู้จักโขมผ้ารู้จักใช่วาจาให้เหมาะสมกับผู้คนที่เกี่ยวข้องเรียกพ่ อ, อยังไงเรียกแม่ยังไงเรียกพี่ยังไงพี่ป้าน้าอาอย่างไ ร, พ, าางไรพ่อแม่จะต้องสอนอันนี้แต่ว่าเป็นบุตรอาจารย์เป็นอาจารย์ของบุตรธิดาคนแรกเพราะฉนั้นต่อมาท่านก็มีเมตตาต่อลูกอีกท่านว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรคือเป็นผู้มีพรหมมวิหาร มีเมตตามีกรุณามุทิตาต่อบุตรทดาของตนอย่างสุดซึง้งอันนี้แปลว่า พ, พ, พ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรคือพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอย่างที่ได้กล่าวเบื้องตน้นไม่มีใครที่จะเป็นผู้มีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแม่เพราะในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่ออกมาจากท้องแม่ จากนั้นก็เป็นคู่โขนขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระหารของบุตรธิดาเพราะนั้นถ้าหากท่านผู้ใดใครก็ตามดูถูกเหยียดยามงพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่เท่าที่ควรจะเคารพหรือว่าทุบตีพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่ถ้าใครทาอย่างนั้นไปว่าหมดมรรคผลนิพพาน ที่จะเกิดขึ้นในใจของคนนั้นแปลว่าบุญกุศลทั้งหมดดับหมดไม่มีอะไรอีกแล้วถ้าจะสร้างบุญกุศลใหม่ก็ว่านับหนึ่งใหม่แปลว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นเหมือนกับเราหาเงินคำซั์สมบัติมาไว้แล้วนะเหมือนกับเราไปสร้างศูนย์การค้าในที่ดินของคนอื่นอย่างนั้นอะ่ะเราทุ่มเททั้งหมดว่ามีเงินคำซั์สมบัติเท่าไหร่ออกมาทําศูนย์การค้าทั้งหมด จากนั้นก็ไฟก็ไหม้หมดศูนย์การค้าที่เราตั้งขึ้นมาแปลว่าเราหมดตัวแต่ที่ดินนั้นไม่ใช่ของเราเพราะเราไปปลูกในที่ของเขาผลที่สุดไม่มีอะไรในตัวของเราเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่คือวันนับหนึ่งใหม่แปลว่าของวัตถุที่เราสร้างขึ้นมาเงินคําทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกเผาไหม้หมดอันนี้ก็เหมือนกันท่านเปรียบเทียบถึงขนาดนั้นถ้าผู้ใดก็าตามฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เหมือนกับบุญกุศลที่เราสั่งสมมา นมนานเป็นหมื่นหมืนแสนแสนชาติพอมาฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่านั้นแหละไปว่าบุญกุศลนั้นดับปดเมื่อจะสร้างขึ้นมาก็คือสร้างขึ้นมาใหม่คือนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ได้ทํากรรมชั่วนั้นแล้วแต่ถึงยังไงเขาคนนั้นก็จะต้องตกในนรกเอเวจีหมกไหมไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะว่าทําอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมแปลว่า ก, กรรมหนักที่สุดมีอยู่ห้าอย่าง พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวเอาไว้ฆ่าบิดาหนึ่งฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งโลหิตตุบาทคือทำร้ายพระพุทธเจ้ายังโลหิตให้ห่อหนึ่งแล้วก็ยุโยงสง์ให้แตกกันหนึ่งบาปผ้าหยางนี้เป็นบาปหนักที่สุดบาปหนักเสมอการห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในปลาลชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาท่านจึงว่าฆ่าพ่อแม่เหมือนฆ่าพระอรหันต์ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเคารพพ่อแม่ก็คือเคารพพระอรหันในครอบครัวของเราเพราะนั้นการที่พวกเราจะทําสิ่งใดก็ตามพูดสิ่งใดก็ตามต้องระมัดระวังถ่าว่าเราทําไม่ดีแล้วกรัมนั้นจะตามสนองเราเมื่อเราต่อไปภายภาคหน้าเรามีครอบมีครัวมีสามีพรนยาขึ้นมามีลูกมีเต้าขึ้นมากรัมที่เรากระทากับพ่อแม่ของเรานั้นจะสืบเนื่องต่อเราไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเราไม่ฟังพ่อแม่เราดันทุลังกับพ่อแม่ลูกที่เกิดมาจากเราเขาก็จะดันทุลังไม่เชื่อฟังคําพ่อแม่เป็นผู้ว่ายากสอนยากเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์สืบเนื่องมาจากตัวเองได้กระทาไว้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเกิดมาในภพใดในสถานที่แห่งใดให้เคารพบิดามารดาเพราะว่าท่าว่าใครทําอย่างนั้นได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข แในการเป็นอยู่พ่อแม่ก็ร่มเย็นเป็นสุขเบา อ, อกเบาใจพวกเราที่เป็นลูกอยู่กับพ่อแม่ก็สบายอกสบายใจมีแต่การเกื้อกูลหนุนกันครอบครัวนั่นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจากนั้นก็มีแต่การสะแสวงหาทรัพย์ภายนอกต่างคนก็ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบพ่อแม่มอบหมายให้ทําหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเมื่อพ่อแม่มอบหมายให้การโรเรียนศึกษา ท่านหาทุนให้แล้วท่านมีเงินคําทรัพย์สมบัติให้เรียนให้ศึกษาเราก็พยายามเรียนศึกษาให้เข้าใจที่สุดให้ดีที่สุดเอ่ออย่าไปทะเลทลายอย่าไปเที่ยวอย่าไปเตรอย่าไปเล่นจะไปสนุกสนานคบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนที่ไม่เรียนหนังสือเกลงเรียนอย่างนี้เป็นตน้นเราต้องเป็นเด็กที่ดีให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพ่อของแม่ที่ส่งไปเรียนหนังสือให้เป็นเด็กที่ดีอันนี้ก็คือ พวกเราในฐานะลูกของพ่อแม่ในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พ่อแม่มอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรคนให้เป็นคุมงานอันนั้นนะกระทาหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เกิดผลประโยชน์ให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพ่อของแม่ทุกคนทำหน้าที่อย่างนั้นได้พ่อแม่ก็สบายอกสบายใจจากนั้นเมื่อเป็นกองทุนขึ้นมาเป็นส่วนกลางขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็จะได้แจกใจ่ายให้แ ก, ลก่ลูก สรุปแล้วก็คือพ่อแม่ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยมีแต่อยากจะเห็นพวกลูกๆมีความเจริญยิ่งในหน้าที่การงานในการทํามาค้าขายในการครองชีพให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาพราะฉะนั้นทาาว่าลูกหลานทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังที่ลุงพ่อพูดนี่ก็นําไปคิดนําไปพิจารณานะทุกคนนะที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่่ควรจะดูเมื่อเรามีครอบมีครัวแล้วเราก็ควรจะดูพ่อแม่ ว่าท่านอยู่ยังไงท่านแก่เท่าชลาแล้วเราจะดูแลอุปถัมปถากท่านได้อย่างไรเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่ยวยเราจะพาไปหา ห, หาหมอที่ไหนเราต้องได้คิดแต่อ่านไว้หมดแล้วก็เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนที่จะต้องประคับประคองพ่อแม่หรือปิดามารดาของตนเองอันนี้คือหน้าที่ของลูกนะหน้าที่ของลูกควรจะเป็นอย่างนั้นในหลักของพระพุทธศาสนา ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วพระพุทธเจ้าท่านดูแลพระบิดาของท่านอย่างไรทําไมท่านทําให้พระบิดาของท่านช้าอกช้าใจเมื่อครองราชคือมาถึงอายุ29ปีได้ลูกคนหนึ่งคือพระราหุลต่าตามไม่ยิงพ่อพระ อ, องค์คือพ่อพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าจุดโทธนะเนี่ยหมายมั่นปั้นมือแล้วเกินว่าอยากจะให้สิทธะเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชสมบัติแทนพระองค์ แต่ทำไมพระพุทธองค์จึงหนีจากเวียงจากวังหนีจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่าถ้าทำอย่างนั้นคนทั้งหลายก็จะคิดว่าสิท ธ, ธิฐานนี่ไม่เชื่อฟังพระบิดาหักล้างหักพงจนทําให้พระเจ้าจุดโทธนาเนี่เสียพระไทยเป็นอย่างมากถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าลูกหัวแก้วหัวแหวนจะหมายมั่นปั้นมือให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าพระสิท ธ, ธิฐานนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย หนีออกจากเวียงจากวังในช่วงนั้นพระเจ้าจุตโธชนะที่เป็นพระบิดาจะมีความรู้สึกเสียพระไทยอย่างไรอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่างั้นต้องเสียพระไทยเป็นอย่างมากแต่ถึงยังไงก็าตามในหัวใจของศริษถะที่ออกไปนั้นไม่ได้ออกไปเพื่อจะทําให้พระบิดาเสียพระไทยไม่ได้คิดว่าออกไปเพื่อจะทําให้เสียหายแต่ในจิตใจนั้นมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ จากนั้นพระองค์ก็ออกไปแล้วไม่ได้ไปอยู่นอนสวยความสุขอย่างที่โลกเขาคิดว่าหนีเอาตัวรอดออกไปแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานไปฝึกหัดทมจิตตะภาวนาทดลองผิดถูกอยู่เป็นเวลาทังหกปีทว่าอดภักยาหาถก็คือ49วันไม่มีใครที่จะอดยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระพุทธองค์มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแล้วมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่อย่างนั้นแล้ว จนถึงพระ อ, องค์ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในเมื่อได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เหมือนกับท่านไปสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์เออถ้าว่าท่านอยู่ในเวียงในวงังท่านก็จะต้องแก่เจ็บตายเหมือนกับคนทั้งหลายทั่วทไปไม่มีคุณธรรมในจิตใจขึ้นมาเลยเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นแต่นี่ท่านไปส่อแสวงหาทางที่ไม่ตายทํำยังไงจึงจะไม่ตายมีไหมอันนี้คือในใจของสิท ธ, ธัตถะ จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้หนีจากเวียงจากวังออกไปส่อแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายเพราะท่านเห็นแล้วว่าพระบิดาก็จะต้องตายพมันดาก็ตายไปก่อนแล้วสวรรคตไปก่อนแล้ววงสาขนายาสก็ล้มหายตายจากไปเป็นทอดๆแต่ต่อไปก็มาถึงพระ อ, องค์เองแล้วจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายอันนี้ก็คือความคิดของสิท ธ, ธะในช่วงนั้นจากนั้นพระ อ, องค์ก็ออกไปบําเพ็ญอยู่ ในป่าถึงหปีอย่างที่ว่าจนได้ตัดสรู้ธรรมเมื่อได้ตัดสรู้ธรรมและวบรรลุธรรมแล้วเนี่ได้บรรลุธรรมในสิ่งที่ไม่ตายอย่างที่พระ อ, องค์ได้รู้ได้เห็นได้ประกาศให้พวกเราท่านทั้งหลายมากระทั่งถึงทุกวันนี้จากนั้นพระ อ, องค์ก็นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพระบิดาของพระ อ, องค์พระบิดาของพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสรู้ธรรมจนได้เป็นพระอรหรันต์นะแปลว่าศิท ธ, ธะไปเสาะแสวงหาทรัพย ได้เพชรดินกินดาอย่างยอดเยี่ยมไม่มีในโลกนี้อีกแล้วเพชรดินกินดาที่สิท ธ, ธะไปสาะแสวงหาได้ทํามันยอดเยี่ยมได้เพชรดินอันยอดเยี่ยมจากนั้นก็ได้นํามามอบให้แก่พระบิดาพระบิดาก็ไม่ได้เสียอกเสียใจว่าลูกชายตัวเองหนีไปอย่างนั้นกับภูมิพระไทยดีอกดีใจอีกต่างหากจากนั้นพระองค์ก็ได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนของลูกจนได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์ จากนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ยังะระลึกถึงพระมารดาอีกที่สวรรคตไปแล้วขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตจากนั้นก็ได้เสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตอีไปโปรดพระมารดาอีกสเดือนที่พระอภิธรรมทั้งหมดเนี่ยคือโปรดพระมารดาที่พวกเราได้ศึกษาเนี่ยคือโปรดพระมารดาก็คือพระอภิธรรมนั่นอ่ะวันนั้นพระพุทธองค์เองไม่ได้ทอดทิ้งบิดา ม, มารดาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้มีคุณอย่างยิ่ง ที่ท่านได้เกิดมาแล้วท่านไม่ได้ปล่อยปะละเลยเพราะนั้นพวกเราให้ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาตตบิดามารดาของท่านเมื่อเรายังมีพ่อแม่อยู่เราก็ควรจะใส่ใจควรจะดูแลบิดามารดาของเราอย่าให้เก็บช้ำน้ําใจกับเราเพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วยืนด้วยลําแข็งของเราได้แล้วแต่ต่อ น, นี้ไปเราก็พยายาม ทดแทนบิดามารดาของเราแทนพระคุณของพ่อแม่ของเราเพราะนั้นที่หลวงพ่อปารบเนี่ยก็คือวันที่12ที่ผ่านมาเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันสําคัญยิ่งของชาติเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็อย่างที่หลวงพ่อพูดพระพุทธศาสนาก็ยกย่องเชิดชูว่าบิดามารดาเป็นเนื้อนาบุญของบุตรธิดาเป็นผู้มีพระคุณสําหรับบุตรธิดาทุกคนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้กล่าวถึง พุทธศาสนากับปวงประชาชาติไทยของเราให้นับถือบิดามารดาแต่พร้อมกันก็ให้เป็นคนดีนะเป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมประจําใจประจํากายวาจาใจเราจะไปณนะ่นใดสถานทีนใดเป็นควมีคุณธรรมศีลธรรมแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหามว่าขาดศีลธรรมในจิตในใจแล้วไปสถานที่ใดมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกันทั้งนั้นละ่ะ มนุษย์ถ้าหากว่าขาดศีลธรรมน ะ, ะไปที่ไหนมีแต่กัดกันด่าไปหมดเพราะเหตุไรเพราะขาดศีลธรรมแต่ถ้าคนมีศีลธรรมแล้วไปที่ไหนมีแต่ความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะคนในชาติเดียวกันจากนั้นก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมถึงข่าวจุดจบมาแล้วก็ต่างคนต่างไปหเห็นไหม พวกไหนที่พวกเรารู้ๆนะปู่ย่าตาทวดของเราลมหายตายจากไปเรื่อยๆพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างั้นเถิดให้เป็นคนดีของประเทศชาติของครอบครัวของตัวของเราด้วยในกลุ่มของเราด้วยนะสรุปเรื่อง ก, ก็คือให้มีศีลธรรมประจําใจนะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติพวกเราควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วมีพ่อมีแม่เราควรทำตัวอย่างไรเมื่อพ่อแม่ล่วงรับดับขันไปพวกเราควรจะทำตัวอย่างไรพ่อแม่ล่วงรับดับขันไปแล้วในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะเพราะว่าร่างกายของเรายังมีอยู่ที่ท่านให้มาเลยยังอยู่ในร่างกายของเราอยู่แต่พ่อแม่ล่วงรับไปแล้ว ไม่รู้ว่าวิญญาณของท่านจะไปสิงสถิตยอยู่ณถิณใดที่ไหนอย่างพวกนั้นไม่มีทางอื่นท่านจึงว่าให้ทาบุญแล้วก็ทาบุญในพุทธศาสนาตักบาตรบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างรักษาศีลภาวนาบ้างสงข้ออนุข้อรงพยาบาลโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเมื่อทาคุณงามความดีแล้วอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นคุณงามความดีข้าพเจ้าอุทิศ ส, ส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจา้าหรือท่านผู้นั้นผู้นี้ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าด้วยเทินนะีอันนี้คือเป็นการอุทิศ ส, ส่วนกุศลในจิตใจน้อมจิตอุทิศคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมมาแต่ถ้าว่าพวกเราทําแต่ความชั่วน่ยความชั่วใครจะไปเอาเหมือนกับโยนก้อนไฟให้ใครใครรับก็ร้อนไปหมดไม่มีใครต้องการ แต่ถ้าว่าโยนเงินโยนทองโยนเพชรนินกินดาให้แกใครเขาก็ยินดีรับกันทั้งนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธมาม ก, กะพุทธบริษัทเวลาสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทำ ท, ทานและอุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณของผู้มีพระกุลสำหรับพวกเรานะเอาต่อนนี้ไปรับพรทีนี้นะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรน